48มีสติรู้กายรู้ใจวันหนึ่งจะแจ้งนิพพานวงเล็บเปิด12มีนาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดมักผลนิพพานนี่พูดให้ฟังทุกวี่ทุกวันนะต้องภาคเพียนเอามีสติรู้กายรู้ใจไปรู้ด้วยความเป็นกลางรู้มันเรื่อยไปวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาเองมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราดูไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ดีของเราเองแหละ เข้าไปหาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์ท่านล้วนแต่มุ่งที่เดียวกันหมดเลยมุ่งเอาแต่มักผลนิพพานทั้งนั้นแล้วเราก็เรียนให้ได้หลักไม่ใช่เรียนแล้วแกว่งไปแกว่งมาครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อไม่มีสักองค์เลยที่บอกว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้สิสไม่มีเลยนะเราทุกวันนี้พอออกจากหลวงพ่อไปก็วิ่งไปสำนักโน้นสำนักนี้เขาบอกว่าเขามีทางลัดทาอย่างนี้สิทาอย่างนี้สิเป็นทางลัด คล้ายๆมีคนเคยไปบอกท่านไวยหลางท่านบอกข้างๆวัดท่านไวยหลางนี่มีอาจารย์ออหลุนอาจารย์อหลุนบอกว่าถ้าใครอยากได้มรรคผลนิพพานนะให้มาหาอาจารย์อหลุนจะบอกทางลัดให้จะบอกวิธีให้นี่ลูกศิษย์มาเล่าให้ท่านไวยหลางฟังแล้วถามท่านเวยหลางว่าแล้วท่านอาจารย์ล่ะมีทางลัดอะไรท่านบอกเราไม่มีทางปฏิบัติอะไรหรอกเราตื่นขึ้นมาลืมตาก็รู้สึกตัวไปไม่มีทางนะ ไม่มีทางปฏิบัตินี่ทางที่ไม่มีทางนี่แหละยอดที่สุดเลยไอ้ทางที่มีทางนะมันทางไปไหนละ่ะมันไปสู่ภพภูมิต่างๆนั่นแหละฉะนั้นเราอย่าไปงมงายนะอย่างโง่มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันรู้ไปตามความเป็นจริงด้วยใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่เกินนี้หรอกกล้ารับรองเลยเพราะเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ท่านก็สอนเหมือนกันหมดเลย จะหลวงปู่ดูลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอาจารย์มหาบัวเหมือนกันหมดเลยกระทั่งหลวงปู่เหลียนหลวงปู่เหรียนสมัยไปหาท่านแรกๆก็นานแล้วเกือบสาสิปีมาแล้วไปหาท่านแรกๆท่านก็ให้พุทโทพิจารณากายพออยู่มาสักห้าปีหลังๆมาท่านไม่พูดเลยเรื่องพวกนี้ท่านสอนดูจิตเลยเพราะท่านแจ้งขึ้นมานะท่านเล่นลงตรงนี้หมดทุกๆองเลยไปหาหลวงปู่เทศท่านก็สอนให้ดูจิตเอาเลย มีหลวงปู่สิมนะเราดูจิตไปแล้วดูผิดดูแล้วถลำลึกเข้าไปท่านบอกออกมารู้ข้างนอกออกมารู้กายไว้บ้างไอ้นั่นดูผิดนะถ้าดูถูกท่านก็ไม่บอกว่าให้ออกมารู้กายหรอกทุกทุกองท่านตัดตรงเข้ามาให้เราเรียนรู้จิตตัวเองเพราะอะไรเพราะกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลนิพพานก็ปรากฏขึ้นที่จิตนี่เองถ้าเรียนรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองรู้เฉยๆนะ ไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงมันรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆจิตมันโลภก็รู้จิตมันโกรธก็รู้จิตมันหลงจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันโหดหูจิตมันลังเลสงสัยจิตเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นแหละรู้ซื่อๆไปคอยรู้ทันตัวเองเราคอยรู้ทันตัวเองไปแล้วเราจะดีกิเลสจะค่อยๆอ่อนกำลังลงไปเรื่อยๆสติปัญญาแก่กล้าขึ้นพอเมื่อไหร่มันก็วางของมันแหละเราไม่รู้หรอกเราจะพอตอนไหน เหมือนเรากินข้าวเราไม่รู้ว่าจะอิ่มเมื่อไรแต่ว่ามันก็มีเวลาอิ่มนะอย่างกินข้าวกินไปแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วไม่นานไม่เกินยี่สิบนาทีก็อิ่มแล้วการภาวนาทํากันทั้งชาติเลยชาติเดียวไม่จบก็ทามาหลายๆชาติหน้าที่ของเราคือภาวนาไปเรื่อยจบเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละไม่รีบร้อนยิ่งรีบร้อนยิ่งช้าลูกลี้ลุกลนยิ่งช้ารู้ซื่อไปรู้กายรู้ใจรู้ซื่อไป เขาพอเมื่อไหร่เขาก็จบของเขาเมื่อนั้นครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงพ่อว่ามันง่ายทุกองค์พูดเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยซื่อๆรู้ซื่อๆร่างกายเรามีอยู่ก็รู้สึกไปจิตใจเรามีอยู่ก็รู้สึกไปแล้วมันเป็นอย่างไรก็รู้ไปตามนั้นแหละที่แรกก็รู้สึกถึงการมีอยู่ของกายของใจอย่าลืมมันพอรู้กายรู้ใจแล้วรู้ซื่อๆ อ, อย่าไปเพ่งมันอย่าไปบังคับ อย่าไปแทรกแซงอย่าไปแก้ไขมันเช่นนั่งสมาธิไม่ต้องมาถามว่านั่งอย่างไรจะไม่เมื่อยนั่งก็ต้องเมื่อยสิร่างกายมีหน้าที่เมื่อยนี่ทำอย่างไรจิตจะไม่คิดต้องคิดสิจิตมีหน้าที่คิดจะไปห้ามมันไม่ให้มันคิดได้อย่างไรเหมือนจะไปห้ามไฟไม่ให้ร้อนจะไปห้ามมันอย่างไรมันมีหน้าที่อย่างไรมันก็ทำหน้าที่ของมันไปเรารู้ซื่อไปเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่สภาวะธรรม เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปเรียนก็เรียนเท่านี้เองไม่มีอะไรยากหรอกถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกว่ายากเหลือเกินให้ตั้งหลักใหม่เลยเลิกเลยที่ทําอยู่ทําผิดแล้วถ้ารู้สึกยากนะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หัดรู้สึกตัวขึ้นมาสบายๆไม่เพ่งเอาไว้ไม่ประคองเอาไว้รู้สึกสบายๆแล้วดูกายมันทํางานดูจิตมันทํางานฝึกอยู่เท่านี้แหละฝึกไปอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ดีของมันเอง หายโง่มเมื่อไรมันก็ดีเมื่อ น, นั้นสู้ก็ไม่ได้สู้กับใครเลยสู้กับความไม่รู้ของเราเองสู้กับความโง่ของเราเองความไม่รู้นี่แหละตัวร้ายที่สุดที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องไห้ร้องห่มถามหลวงปู่เทศเครื่องหมายคำพูดเปิดหลวงปู่ทาไมหนูต้องเกิดมาปิดเครื่องหมายคาพูดหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มแล้วว่าในเครื่องหมายคำพู ด, พดเพราะไม่รู้ เอ๊หลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้ดูสิท่านบอกว่าเพราะไม่รู้นะก็มาบอกว่าท่านไม่รู้ท่านรู้สิท่านรู้แจ้งเลยเราเองตังหากที่ไม่รู้ที่สู้ไม่ได้สู้กับใครภาวนาไม่ได้แข่งกับใครแต่สู้กับความไม่รู้ของเราเองความไม่รู้อะไรความไม่รู้แจ้งในอริยสัจอริยสัจสี่ประการความไม่รู้ในกองทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์บ้างตัวสุขบ้างหรือบางทีเห็นเป็นตัวดีตัววิเศษไปเลยนี่เรียกว่าไม่รู้ไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่รู้ว่าถ้าจิตมีความดิ้นรนจิตมีความทยานอยากจิตจะเข้าไปยึดถืออารมณ์แล้วจิตจะมีความทุกข์จิตจะไปแบกหามเอากายเอาใจมายิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีก ไม่รู้ว่านิพพานคือความสิ้นทุกข์ก็ไปวาดภาพนิพพานเอาว่าเป็นโลกว่างๆอันหนึ่งนิพพานเป็นสุญญาตานี่เคยได้ยินอย่างนี้ฉะนั้นน้อมใจให้อยู่ในความว่างนี่แหละอยู่กับนิพพานเข้าใจผิดแล้วนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นกิเลสนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นขันนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นทุกขุนิพพานไม่ใช่สภาวะที่ว่างๆไม่มีอะไรเลยไม่ใช่สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะ มันสิ้นกิเลสมันสิ้นขันมันสิ้นทุกขนิพพานมีบรมสุขนิพพานมีสันติสงบสันติสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากขันสงบจากความปรุงแต่งสงบจากทุกขนิพพานมีสภาวะธรรมรองรับนิพพานไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยกับมีสภาวะธรรมรองรับนี่ไม่เหมือนกันนะนิพพานมีสภาวะธรรมรองรับเพราะฉะนั้นนิพพานมีอยู่ อย่ามาวาดภาพนิพพานว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้ก็มีนิพพานนั่นแหละทีนี้ไม่เข้าใจก็มั่วๆเอาคิดว่าน้อมใจให้อยู่ในความว่างแล้วก็จะนิพพานน้อมใจไปอยู่ในความว่างนั่นแหละทําเพราะสนองกิเลสทําเพราะรักตัวเองอยากให้ตัวเองดีอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองบรรลุมรรคผลนิพพานเห็นไหมเต็มไปด้วยคําว่าอยากอยากด้วยแล้วยังมีตัวเองด้วยที่น้อมใจไปอยู่ในความว่างนั่นแหละอยาก แล้วก็มันมีตัวเราไม่เกี่ยวกับนิพพานเลยคนละเรื่องเลยไม่รู้จักทุกข์สมุทยัยนิโรธไม่รู้จกักมรร